เราผ่านไปแล้วสองอาทิตย์นะสำหรับไฟป่าที่เกิดขึ้นที่พูหลง้านับรวมกับไฟที่เกิดขึ้นต้นเดือนนี้ก็ผ่านไปแล้วเดือนหนึ่งพูดถึงความเสียหายแล้วก็่มามากทีเดียว ด้านทิศเหนือด้านทิศใต้ทั้งที่ฝั่งไทยเลยทั้งที่เป็นฝั่งฝั่งหลังภูสามชั้นก็เสียหายเยอะมากแต่และฝั่งนี่ก็เกือบพันไร่ดูได้ตาปล่า 2องฝังนีก็สองพันข้าไปแล้วอันนี้ไม่นับไฟที่ไหมตรงภูสามชั้นเองนะซึ่งอยู่นอกเขตวัดแต่ก็อยู่ในความดูแลของทางวัดนี่ก็ก็เกือบพันเลยมั้งรวมแล้วก็หยับๆยาบคร่าวๆก็สามพันก็ถือว่าเยอะมากอาจจะเยอะที่สุดเลยมั้งตั้งแต่ที่เคยมี อนนี้ก็ถือว่าเป็นไหเงะได้นะถึงแม้ไม่มีใครตายไม่มีใครบาดเจ็บจะเป็นไทเนะมันก็เป็นแต่ว่าแบบก็เป็นธรรมดานะทุกคนทุกแห่งก็มักจนะมีไทเงะไม่พ้นหลายแห่งก็เจอหนักกว่เรามากเป็นสึนามิอ่างเงี้ยสึนามินี่ก็ เรียกว่าเสียหายไปเยอะพังกันไปแถบแไม่ว่าจะเป็นพังงาคูเก็ะเสียหายมากประมาณค่านี้ได้ลางแห้เกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นก็ดีในปานก็ดีนี่ก็เรียกว่าสูญเสียมหาศาลมาก ในระดับบุคคลมันก็คงคล้คายๆกับไฟไหม้บ้านนะไฟไหม้บ้านที่เราถึงกับหมดเนื้อหมดตัวแต่ว่าทุกตัวอย่างที่พูดมาเขาก็สามารถจะฟื้นตัวได้คนที่ถูกไฟไหม้บ้านเขาก็สามารถที่จะตั้งเนือตั้งตัวเริ่มต้นกันใหม่ที่เจอ แผ่นดินไหวเจอสึนามิก็ทัวนี้กลับไปที่ยันยาวกลับไปที่พังงาคูเก็เขาก็มันกัไม่มีร่องรอยของความเสียหายมากนอกจากอนุสรณ์ที่เตือนใจที่เขาหลักนี่ก็มีมีเรือเรือที่ถูกพัดเข้ามา เคยอย่บนฝั่งก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าครั้งหนึ่งเคยเกิดไฮนับไัยแต่ว่าถ้าดูรอบรอบว่านอกนั้นก็ไม่เห็นอะไรเพราะว่าเขาฟื้นตัวกันได้จนเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมจริงเนี่ยถ้านึกไปถึงนะฮิโรชิมา่าฮิโรชิมานี่ก็มหา เรียกว่าใหนับภัยไม่ใช่เป็นภัยธรรมชาติเป็นภัยมนุษย์แต่มันก็เสียหายยับเยินแต่เขาก็สามารถจะฟื้นตัวขึ้นมาได้จนกระทั่งดีกว่าเดิมบ้านเรือนต้นไม้ส่วนสาธารณะก็สร้างขึ้นใหม่ดูแลกัน ที่นี่ก็เหมือนกันมันก็อยู่ในวิสัยที่จะฟื้นตัวขึ้นใหม่ได้อาจจะอาจจะต้องพักผ่อนฟื้นกำลังใจ แล้วก็เดินหน้าต่อไปแต่ว่าไปความเสียหายที่เกิดขึ้นกับที่นี่มันก็จิดบจอยไม่เช่กับตัวอย่างที่พูดมาตัวอย่างที่พูดมานี่นเสียหายกันเยอะแต่ถ้าที่เป็นตัวเลขเนะี่ยที่นี่ความเสียหายก็ไม่น้อยนะสมมติว่าเสียหายไรละหนึ่งล้านทรัลตีค่าต้นไม้ ในหนึ่งไร่ทั้งไม้ที่เติบโตขึ้นตามธรรมชาติหรือไม้ที่ช่วยปลูกขึ้นมาช่วยดูแลใน ต, ตอนที่ปลูกนี่ก็ใช้เงินเงินเยอะปลูกแล้วก็มีคนดูแลตลอดทั้งปีหรือเกิดทั้งปีคอยเฝ้ารัตระเวนคอยอ ว่องกัรไม่ให้มีไฟอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ถ้ารวมลงไปก็คิดว่าร่ละล้านนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มากเลยอาจจะมากกว่า น, นั้นสามพันไร่ก็สามพันล้า น, นได้แล้วยังไม่นับนะไอจำนวนเงินที่ทุนเทวการดับไฟ แต่นี่ก็จำนวนเงินที่ทุ่มเทกันตัดไฟก็ถึงไม่เยอะแต่ก็ยังสู้ไอ้ที่มันสูญหายไปกับไฟไม่ได้ก็น้ำม่าผไม่น้อยชื่อนะสามพันล้านสำหรับป่าผือเล็กๆหรืออาจจะมากกว่านั้นเป็นเท่าไรละสองล้านหกพันล้านแต่ว่ามันก็ เป็นเรื่องที่ต้องฟื้นฟูกันต่อไปที่ผ่านมาช่วงที่เกิดไฟนี่ก็พวกเราเราก็ได้ช่วยกันทำกันเต็มที่นะต้องขอบคุณทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งคาราวาที่ได้ช่วยกันดับไฟอดหลับอดนอนผู้คนอีกมากมาก็กมามาด้วยความ ห, มห่วงใ่มาด้วยความ ประทับใจนะในความทุ่มเทข อ, องพวกเรามาเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาแต่ในเหตุการณ์อันนี้มันก็เห็นนะบางคนหลายคนมาเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาแต่บางคนมาเพื่อที่จะปัดปัญหามาเพื่อที่จะปัดปัญหาว่าไม่มีอะไรทุกอย่างเสียหายเล็กน้อย อันนี้เลย ม, มาเพื่อปัดปัญหาหรือมาเพื่อที่จะกบเกินปัญหามาเพื่อที่จะปัดปัญหาหพ้นตัววะเนี่ยฉันได้มาแล้วฉันได้มาแล้วฉันได้ทำแล้วกกลับไปเขียนรายงานให้ตัวเองเนี่ย พ, พ้นพ้นภาระหรือพ้นผิดไปแบบนี้มันก็มีให้เราเห็นนะ ซึ่งก็เป็นธรรมดามันก็สะท้อนหเห็นหนึ่งวิธีคิดของผู้คนหลายคนนี่คิดถึงคนอื่นคิดถึงคนอื่นแต่ไม่น้อยคิดถึงตัวเองทำยังไงจะให้ตัวเองพ้นผิดปลดคอเรื่อิดช่อออกไปยือมีข้ออ้างว่าได้ทำแล้วอันนี้เรียกว่าคิดถึงแต่ตัวเอง ทำไงถึงจะปัดปัญหาได้ที่ตัวเองเหนื่อยน้อยที่สุดยิ่งไม่ต้องทําอะไรเลยยิ่งดีนะแต่หลายคนก็มาเพื่อที่จะช่วยตัวเองเหนื่อยยังไงเสียงงินเสียทองยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะใจนันนึกถึงผู้อื่นนึกถึงป่าผู้หลงนึกถึงวัดนึกถึงพระนึกถึงสมบัติของประเทศชาติสมบัติของโลก น, นี่เราก็เห็นน้ำใจมาเพื่อช่วยเพราะว่าตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ว่านึกถึงผู้อื่นเมื่อถึงผู้อื่นแล้วเนี่ยไอการที่ตัวเองจะเดือดร้อนจะเหนื่อยจะสูญเสียแล้วก็เป็นเรื่องรองก็พร้อมจะเสียพร้อมจะเหนื่อยยิ่งกว่า น, นั้นอีกแต่ถ้าตั้ง อยู่วันฐานคิดว่าคิดถใงตัวเองมันก็คิดแต่ว่าทายังไงถึงจะเหนื่อยน้อยที่สุดทําไงถึงจะปัดปัญหาไปให้คนตัวคนความรับผิดชอบเราก็ได้เห็นนความแตกต่างคนสองกลุ่มนมันก็อยู่คนละโลกเลยอยู่คนละวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นความเป็นจริงอย่างหนึ่ง ของโลกเหมือนกันที่เราก็ต้องช่วยกันปรับปรุงให้มันดีขึ้นคนเราเนี่ยเมื่อเราเมื่อเราคิดถึงผู้อื่นเนี่ยไอ้ความทุกข์ของเราก็เป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าเราคิดงแต่ตัวเองความพุของคนอื่นกลับเป็นเรื่องเล็ก มันใหญ่ยังไงก็พยายามมองให้มันเล็กไปซะเสียหายหลายพันไร่ก็ก็บอกว่าไม่กี่ไม่กี่ร้อยไร่หรือบางทีก็ไม่กี่สิบไร่อันนี้เราว่าที่ถึงแต่ตัวเองก็ทำให้มองปัญหาของคนอื่นเป็นเรื่องเล็กไปเล็กทั้งในแง่ความรู้สึกแล้วก็เล็กในแง่ของตัวเลขแต่ถ้าเกิดคิดถึงผู้อื่น ไอ้ความตัวของตัวเองก็กลายเป็นเรื่องเล็กไปไม่เสียหายเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรถามว่ามันช่วยทำให้ปัญหาของส่วนรวมมันได้บรรเทาเบาบางลงไปอันนี้มันขึ้นอยู่กับมุมมองมากทีเดียวซึ่งก็ส่วนหนึ่งเกิดจากการสะสมนะเกิดจากสิ่งแวดล้อม อยู่ในหน่วยงานอยู่ในองค์กรที่ต่างคนต่างคิดแต่คิดถึงแต่ตัวเองเห็นแต่ผู้คนที่ปัดสวายคนตัวหรือว่ามีการไล่เบีย้ยลงไปมีปัญหาอะไรมีหน้าที่อะไรก็ยืนไม่ให้คนอื่นทำยนปัญหาแต่ว่าถ้าเป็น เป็นรางวัลเป็นคำาชื่นชมเป็นความดีความชอบก็แย่งกันไปรับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นกันอยู่แต่ว่าของเหล่านี้เนี่ยที่เหล่านี้ก็ถ้าทําแบบนี้มันแก้ได้ หากว่าอยู่ในท่ามกลางผู้คนที่เขาคิดถึงแต่ผู้อื่นไอความรู้สึกระอายใจว่าย่อมมีความรู้สึกระอายใจโอ้คนห น, นึ่งเขาทำนาเยอะแยะในเราก็เอาแต่ปัดปัญหาให้้นตัวมันก็รู้สึกระอายใจต้องพยายาม ขยับขยืนบ้างธรรมชาติคนเราก็มีด้านดีอยู่ในทุกคนเพียงแต่ว่าอาจจะแพ้แพ้ต่อกินเลทอาจจะแพ้แพ้แพ้แพต่ อ, อความเห็นแก่ตัวเวลาเวลาเอ่อ เราขึ้นรถนะมันเคยมีปรกากฏการส์ทำนองนี้ในรถเมล์รถสาธารณะคนนี่ยืนกันยเยอะแยะมีคนแก่ผู้หญิงท้องมีเด็กคนที่นั่งอยู่อาจจะเป็นชายหนุ่มหญิงสาวเห็นสภาพแบบนี้แล้วเนี่ยใจมันก็อยากจะลุกนะ เพราะว่าเกิดความสงสารแต่บางคนเนี่ยมันก็มีความขี้เกียจ ม, มีความแ ก, ก่ตัวก็ต่อสู้กันในวิธีที่จะทำให้ความรู้สึกสงสารเห็นใจเนี่ยมันอ่อนกำลังก็อาจจะแก้งทำเป็นหลับเรื่มมองไปนอกหน้าต่างไม่ต้องเห็นซะเพราะจะเห็น คนแก่คนผู้หญิงท้องเด็กนี่ยืนมันอดไม่ได้ที่อยากจะช่วยแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็ไม่อยากยืนไม่อยากเหนื่อก็ต้องแก้งทำเป็นหลับแก้งเป็นก้มหน้าเล่นลายหรือว่าหากมดหัไปม อ, มอกหน้าตาจะได้ไม่เห็นอันนี้มันก็มอรเนีมันก็สะท้อนความเป็นแก่ตัวนะ แต่มื N ่ในแง่หนึ่งมันก็ชี้เห็นว่าคนเหล่านี้เขาก็มีความรื่สึกเห็นอกเห็นใจอยู่ในส่วนลึกแต่ว่าพราะถ้าไม่มีความเห็นเห็นใจมันก็ไม่สนใจหรอกไม่เป็นต้องแกล้งเป็นมองไปนอกหน้าต่างก็ได้อาจจะมออาจจะถึงขั้นสบตาเด็กสมสดตาคนแก่สบตาผู้หญิงทองในสบายใจ แต่พ่อมีคุณธรรมนี่มันถึงไม่การสดตาเพราะว่ากุถ้าสดตาแล้วเนี่ยก็จะเกิดความเห็นองเห็นใจเกิดความเมตตาอยากช่วยก็เลยต้องหาทางวิธาทางลดอิทธิพลนะของความเมตตาความกรุณาด้วยการมองออกไปนอกตัวออกไปนอกหน้าตา เดีย๋ยวแม่ก็มีข้ออ้างหาข้ออ้างกับตัวแม่ฉันวันนี้ฉันเหนื่อยทั้งวันแล้วหรือว่าเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะเดี๋ยวฉันก็ลุกให้แล้วลนะอยอีกหน่อยอีกสักป้ายสองป้ายสามป้ายสี่ป้ายเดี๋ยวฉันก็จะลุกแล้วใกล้ถึงแล้วหรือบางทีเกิดความอายนะอายว่เนี่ยคนอื่นไม่ลุกเลยฉันลุกก็ลอยอยู่ ทั้งวันนี้มันก็ในงาหนึ่งก็แสงหนึ่งชยฉันนำความแ ก, ก่ตัวแต่ในงานอีกด้านหนึ่งก็แสงว่ามันก็มีความเมตตากรุณาอถึงต้องทำแบบนั้นก็คือไม่รับรู้ปัญหาเพราะถ้ารับรู้แล้วเนี่ยมันจะอยู่เฉยไม่ได้แต่ว่าถ้ามีคนใครต่อใครนี่แสดงความเมตตากรุณาช่วยเหลือลุกขึ้นนั่ง ความอยากจะช่วยมันก็เกิดกำลังขึ้นมาอยากจะช่วยเหมือนกันเคยมีคนเขาล่าว่าเนี่ยที่สถานีรถไฟสายรถไฟใต้ดินที่นิวยอร์กเนี่ยวันหนึ่งนะออกจากสถานีก็เห็นคนผู้ชายคนหนึ่งนอนหมดสภาพอยู่ริมถนมนไม่ใส่เสื้อ คนก็เป็นร้อยเป็นพันนะก็เดินผ่านบางคนก็เดินข้ามเลยเพราะขวางทางแต่วผู้ชายคนนี้เนี่ยพอก็เห็นคนเห็นคนป่วยนะหมดสภาพไม่คน้เลยหยุดนะหยุดแล้วก็ก้มลงไปไต่ถามอาการ ทันทีที่เขาหยุดก็รากว่าก็จะมีคนที่สองคนที่สามหยุดตามเขาด้วยแล้วก็ก็วีกะวาดไปช่วยหาน้ำหาอาหารหรือว่าไปเรียกตำรวจอันนี้เขาก็ตั้งเขา ก, ก, ก, ก็ฉุกใจคิดไม้ให้ตอนที่เขาไม่ได้หยุดตอนที่เขาอยู่ตอนที่เขายืนอยู่ยเฉยนี่ ไม่มีใครที่จะช่วยเลยแต่พอเขาหยุดแล้วก็นั่งลงคนหนึ่งก็จะหยุดตามสองคนสามคนสี่คนแปลว่าอะไรแปลว่าหลายคนเนี่ยนะใจมันอยากจะช่วยนะแต่ว่าบางทีก็ไม่กล้าหรือว่ามีข้ออ้าง รีบนะแต่พอมีคนสักคนนี้ลงมาช่วยเนี่ยมันเริ่มีคนที่เหลือเนี่เริ่มมาสูกแล้ว เ, เราจะใจไม้ไส้ละกันเดินผ่านเข้าไปได้เลย อ, อมีคนช่วยแล้วนี่เราก็ต้องช่วยบ้างการที่ลงมือช่วยการที่มีคนหนึ่งเริ่มลงมือช่วยเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นต่อมมโนธรรมของอีกคนหนึ่งของที่เหลือให้ให้ให้ทำงาน แต่ถ้าไม่มีใครหยุดนะที่เหลือก็เดินผ่านเฉยเพราะว่าถือว่าใครๆก็ทํากันใครๆก็ใครๆก็เดินผ่านข้ามกันแต่พอมีคนหนึ่งหยุดช่วยเนี่ยก็จะเกิดความสุขถ้าเราเดินผ่านไปมันจะกระไรอยู่เ่ราใจไม่ช่ระกรรมขนาดไหนมันมีแบบอย่างแบบอย่างที่มีคนที่เริ่มก็สามารถจะกระตุ้นต่อมโนธรรมของคนที่เหลือได้ ทำให้มีพลังเหนือความเห็นแก่ตัวอันนี้มันก็สะท้อนว่าคนเราก็มีความเห็นอกเห็นใจนึกถึงผู้อื่นเหมือนกันนะแต่ว่าบางทีมันแพ้แพ้อำนาจความเห็นแก่ตัวแต่ว่าไอ้ความเห็นกเห็นใจนันก็สามารถเี่น่ตู ก, กระตุนได้เมื่อเ็นคนอื่นทำเองคนอื่นทำฉันก็ทำบ้าง ไม่ทําก็น่าเกลียดไม่ช่วยเหลือเขาก็น่าเกลียดท น, นี่แหละก็ต้องคู่คนทั้งหลายมันก็ต้องหาทางกระตุ้นต่อมโนธรรมของเขาให้การที่ไปดา่าไปตําหนิมันก็ทําให้เขาเห็นกับตัวมากขึ้นปกป้องตัวเองาหาเหตุหาผลมาปกป้องตัวเองหนักขึ้น แต่ถ้าเกิดใครเห็นคนหนึ่งช่วยไอ้ความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ช่วยมันก็กระจายอยู่เนี่ยก็เกิดขึ้นต่อมโนธรรมก็ถูกกระตุ้นให้ต้องทํางานอันนี้ก็เลยเป็นวิธีการดึงเอาความเห็นแก่เอาความเอื้อเฟื้อเกือเก้อกลูนเอาดึงเอาคุณธรรมออกมาแต่คนบางคนก็เห็นแก่ตัวออมากๆแล้วมันก็พยายามบ่ายเบียงหลบเลี่ยง ต่อมมโนทำกระตุลแล้วแต่มันก็ยังหาทางต่อต่อต้านต่อสู้หาเหตุหาผลมานั่นนี่ก็ธรรมดาเจนกว่ากระทั่งก็เห็นว่าเอ้ยทําการไปช่วยเหลือผู้อื่นนี่มันทำแล้วมีความสุขนะทำแล้วดีนะไม่ใช่แค่เท่แต่ว่าทำแล้วมีความสุขทําแล้วเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมันก็ทําให้อยากทํามากขึ้น ทำเองเลยคนนี้แล้วก็ทำเขาขมี ข, ขมันหลายคนเห็นแต่ตัวเพราะว่าคิดว่าทําดีไม่ได้เด่นทางดีไม่ได้ก็ไปเด่นทางทางชั่วทางร้ายซะทําดีไม่ขึ้นหลายคนก็คิดแบบนี้แต่พอทําแล้วมีคนทําดีแล้วมีคนชมเนยนก็เกิดกําลังใจ ทําดีแล้วทาทาขึ้นนะพวกนักเลงวัยรุ่นแก๊งส ม, มุนไหลหลายคนก็กลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนเปลี่ยนใจเป็นคนดีหลายคนที่ติดคุกนะเพราะว่าไปฆ่าไปฟันไปแทงเขาอย่างเช่นเด็กที่บ้านการจันนาเขกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้ก็พเพรา ทำดีแล้วมีคนเห็นทำดีแล้วมีคนชมก็รู้สึกว่าเกิดความภาคภูมิใจตนเองเกิดความมั่นใจว่าเราทำดีได้นะอยากทำมากขึ้นคนที่ทำชั่วหลายคนเพราะสุสติไม่มีค่าแล้วถูกดถูกดา่าถูกเย็ดยม้ม ก็เรยไม่อคทําดีมาทำไมทำชั่วซะเลยเนะียให้มันเด่นทางนั้นเป็นเลยเพราะว่าคนเราก็มีอีโกโอ้อยากเด่นถ้ามาเด่นทางดีไม่ก็เด่นทางชั่วแต่ถ้ามีช่องทางที่จะเด่นทางดีได้ก็อยากจะทนะําเพราะในส่วนลึกของคนเราก็มีมโนธรรมอันนี้ก็ต้องสายสิ่งวัตล้อมการทำไปทําไปก็มีความสุข มีความสุขทำให่อยากทำมากขึ้นตอนนี้ก็ตอนนี้เวลาทำงานมาแล้ ว, ลว ก, ก็มีบางคนหลบเลี่ยงหรือว่าพยายามปัดควาับิชอบนี่ก็ก็เป็นเรื่องธรรมดางเขาเราก็ทำของเราไปทำไปทำไปเดี๋ยวก็ไปดึงให้เขาออกมาจาก เป่าแห่งความเป็นแกนตัวได้ในงานที่ต้องทำํำนะของเราก็ต้องทำกันไปเรื่อยๆต้องใช้เวลาจะเล่นจัลลีไม่ได้ต้องใช้เวลามันสิบปีกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ต้องคิดถึงเป้าหมายไม่ต้องคิดถึงระยะทางจุดหมายปลายทางอยู่เพื่อไปคิด ทำทุกวันให้ดีที่สุดทำนะแต่ละขณะให้มันดีเดี๋ยวเวลาจะผ่านไปรวดเร็วนะอย่างซูเมี่นี่ก็ผ่านมาแล้วสิบสิบสองปีก็เร็วมากทงที่ย่านยาวภูเก็ตเขาหลักวันนี้ก็สภาพก็ไม่มีเขาเดิมแล้วทำไปทำไปมันก็มันก็ดีขึ้น หลายคนที่บ้านไฟไม้นจนหมดเนื้อหมดตัวก็<ๆ>กลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นใหม่หรือว่าภูมิฐานกว่าเดิมร่ำรวยกว็เดิมแต่เพราะว่าไม่ยอมเจอทอไม่ติดอยู่กับอดีตมองไปข้างหน้าอันนี้ก็เป็นแบบฝืนหายของพวกเราแม้ว่าจะทุ่มเทไปเพื่อการรักษาปา ย, ยางไงเมื่อมันถูกทำลายไปก็ไม่ต้องไปเสียเสียดงเสียดายเสียใจกับสิ่งที่ได้ทำไปมันก็มาสูญเปล่าไม่ใช่มันก็มีคุณค่า เราก็เริ่มต้นกันใหม่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวด้วยอาละชานี่เพื่อเท่า น, นี้ครับไป